วิเคราะห์อนิยต์เธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าอนิยตตามลำดับกองอาบัตชื่อว่าอนิยตเพราะไม่แน่ข้อที่เราบัญญัติไว้แล้วโดยมิใช่ส่วนเดียวในฐานะทั้งสาฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอนิยต์